วันแรกอ่าบรรยายธรรมครั้งแรกพูดเรื่องสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ควรรู้กับสิ่งที่ต้องทําในเรื่องของการเจริญสติแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของอาณาปานสติ อาณาบาณนสตีนี่พูดได้ทั้งปีแต่เช้านี้ก่อนที่จะเข้าถูกการปฏิบัติอีกรอบหนึ่งก็คิดว่าจะเป็นการถามตอบปัญหาไม่รู้ว่าปัญหามีไหมไม่มีใครถามเลยมีแต่คนเก่ง ไม่มีใครถามปัญหาเลยมีแต่คนเก่งๆอย่างนั้นเลยค่ะว่าที่ถามที่สุวรรณไปแล้วก็สองถามนะคะี่ถามแรกก็คืออาจารนอธิบาว่าลงหายใจเข้ า, าลหายใจออกแล้วเข้าแล้วหยุดออกเข้าแล้วหยุดความจริงที่เนเจอมาก็คือออกแล้วหยุดเข้าแล้วหยุด แล้วออ่เแล้วมันมีปัญหาตรงไหนวะก็าี่บอกว่าลมหายใจมีสามสถานะคือลมหายใจออกสถานะหนึ่งลมหายใจเข้าสถานะหนึ่งลมหายใจหยุดสถานะหนึ่งเร่องปิดตรงไหนวะ mm hmm. ทีนีเ้เวลาหายใจเข้ามันก็มีลมหยุด หายใจออกมันก็มีลมหยุดเพราะถ้ามันไม่มีลมหยุดมันจะไม่เข้าหายใจเข้าถ้าไม่มีลมหยุดมันจะไม่ออกหายใจออกถ้าไม่มีลมหยุดมันจะไม่เข้าแต่เรารู้เฉพาะลมที่เข้ากับลมที่ออกลมที่หยุดเราจะไม่รู้เข้าใจป่ะทีนี้เราจะรู้ลมหยุดก็ต่อเมื่อสติและสมาธิของเรามีกำลังมาพอประมาณนึงแล้วจะจะเห็นชัดเวลา เวลาสติกสมาธินั้นมีกำลังจนถึงขนาดเดินออกมาจากลมหายใจคือไม่มีการกำหนดต่อลมหายใจแล้วจะเห็นร่างกายหายใจเองเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่ลมหยุดนั้นอย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติที่บอกว่าลมเข้าแล้วหยุดออกแล้วหยุดนั่นถูกแล้วแต่ว่าเราเห็นของเราของเราเราเห็นหยุดตอนไหนอ น, นันอ้ น, นั้นเรื่องเรื่องของเราแล้วเข้าใจไหม ก็ร้องไห้หายใจเข้าสิแล้วแต่เราจะหายใจออกก่อนที่ลมหายใจจะออกมามันจะหยุดก่อนหยุดมากหยุดน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่มันมีสถานะสถานะของของลมหายใจนะมันมีสองสามสถานะไงเข้าออกหยุดได้ไหมเข้าออกหยุดเข้าออกหยุด หรือจะออกหยุดข้าวก็แล้วแต่แต่จะมีสามสถานะทีนี้สติสมาธิของเราโดยทั่วไปเราจะเห็นเนียลมข้าวเวลาพูดถึงลมหายใจเราก็หายใจเข้ า, ห า, ข า, ห, า, ขาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมแล้วเวลามันเป็นสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิจริ ง, รงๆเวลามันเกิดเป็นสมาธิที่ชัดจริงๆก็คือตอนที่ลมหายใจหยุด ที่ลมหายใจหยุดเพราะว่าตอนที่จิตจะไปกำหนดอยู่ลมหายใจเข้าจิตที่ไปกำหนดอยู่กับลมหายใจออกอะความนิ่งมันยังมีลมหายใจเป็นอารมณ์อยู่แต่ว่าเวลาไปอยู่ที่ลมหายใจหยุดไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกจิตอยู่กับลมหายใจหยุดความนิ่งมันจะชัดกว่าตอนที่อยู่กับลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเพราะนั้นตัวสมาธิมันก็จะเกิดตอนที่ลมหายใจหยุดเป็นหลัก บอยมีข้อนึงอะไรกันขาดอีกข้อที่ก็คือเมื่อวานอาจารย์อธายเรื่องของลมหายใจยาวๆพอลมหายใจยาวรู้สึกเข้ามือแล้วกยาวไปเรื่อยๆแล้วสักพักมนก็จะแบบค่อยๆผ่อนลมต้นลมละเอียดขึ้นเอียขึ้นก็ถูกแล้วจรหลับเลย ยังไงนที่เสือกให้เราถอหายใจออกมาใหม่นี้พอออกมาใหม่เาคิดว่าเราทำมาถึงยึะรอยง้แล้วให้ออกมาใหม่อาทสาใหม่นี่หลงยึดดยยก็เลย่าจะทงไงให้มันให้มันไปแยกตลอดเลยที่เราไม่ไม่หลับพราะาอได้สกมาสามนาทีมาเรอค่ะ ที่มันง่วงที่มันละเอียดแต่มันไม่ใช่ัมไม่ใช่ลมหายใจละเอียดสติมันอ่อนไม่ใช่ลมหายใจละเอียดนะทัางเข้าใจใหม่พอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกว่าลมหายใจมันละเอียดละเอียดละเอียดแบบเบาเ บ, บ, บ, บคือสติมันอ่อนลงไปตามลมหายใจ ท, ที่มันหลับอ่ะเพราะว่พาพอหลับนันคือหมายความว่าสติมันหยุด <c oughs> ออกมาออกม า, มาอืมอืมบ่อยๆด้วยอย่าให้มันลงร่องอย่างนั้นพอลงร่องอย่างนั้นบางทีรู้นะบางทีมีสตินะแต่ตาสีมันอ่อนเรตกอยู่กับความเคลิม้มแต่ว่าเราเถียงยืนยันได้ว่าเราไม่หลับเรารู้เรามีสติเราไม่หลับ แต่มันก็เคลิมคือสติมันเบามากมันไม่ถึงขนาดขาดที่จะทำให้หลับมันรู้แต่มันเคลิมอยู่มันเคลิมที่มันเคลิมแต่มันรู้ก็เหมือนกันแกออกมาเหมือนกันทีนี้พอพอเราบอกว่าเรามีสติเราไม่หลับเรารู้ใช่ไหมเราก็ยึดมันแต่มันเถียงคอเป็นเอ็นเลยแหละว่าไม่หลับ มันหลับไม่หลับจริงๆเพราะมันมีสติแต่มันเคลืมสติเบามากแต่มันรู้อยู่ว่าไม่หลับเออฮะคล้ายคล้ายอย่างเงี้ยคล้คล้ายอย่างเงี้ยอืม ตกไม่ใช่ไม่เหมือนนะ่ะมันไม่เหมือนอนะ่ะเหมือนเลย <c oughs> อเหมือนเลย <c oughs> พอออกมาดูใหม่ก็ <c oughs> เริ่มใหม่ <c oughs> อย่างนี้แหละ <c oughs> ต้องทําเริ่มใหม่อย่าไปเรื่อยที่เคยบอกว่าไอปาา้ปัทหอารัฐะไอป้ <c oughs> ปัทหวิริยะเนี่ยการเริ่มตั้งความเพียรมันให้ประโยชน์ตรงนี้แหละอื <c oughs> <c oughs> มันุเบขาไปมันไม่แผ่วสิถ้ามันอยู่กับลมหายใจได้เวลาลมหายใจมามันรู้เวลาลมหายใจมามันรู้ฮะบางทีไม่นานนะไม่นานแต่ว่าเราไม่รู้ไงจิตมันอยู่กับอูเบขาแล้วมันลงร่องนั้นไปแล้วมันจะไม่มารู้ลมหายใจแต่มันมีสติอยู่ลมหายใจมาแล้วนะแต่เราไม่รู้ลมหายใจมาแล้วแต่เราไม่รู้เออมันหล่นลงไปแล้วก็ออกมา เดินจิตใหม่ขยันขยันเริ่มใหม่อืมพรว่าเข้าอว่ามือรเราราเรา้เลออพอมันลงร่องปั๊บมันก็เดี๋ยวมันก็เริ่มเริ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย นะลงร่องมันไม่ถูกแต่ทุกคนจะลงหมดอนะ่ะส่วนมากก็จะลงพอลงแล้วมันสบายลงแล้วมันสบายเราเรียกหาความสบายพอลงปั๊บแมันจะสบายแต่มันไม่ได้เกาะลมหายใจจริงๆพอลงเสร็จแล้วมันสบายมันเหมือนไปหลบอยู่อะ่ะเหมือนจิตมันไปหลบอยู่มีสติรู้อยู่ว่ามันหลบอยู่แต่พอลมหายใจมาไม่รู้ ไม่เห็นลมหายใจครั้นพอจะเห็นถ้าจิตตื่นไปก่อนนั้นมันก็เหมือนว่ากำลังหาลมหายใจก็มีเจตนากว่าที่มันจะให้จิตไปดูเจตนานั้นได้เนี่ยก็สักพักหนึ่งเห็นสภาวะนี้อยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็พอเ ร, เริ่มตั้งความเพียรใหม่พอเ ร, เริ่มตั้งความเพียรใหม่ไอ้ตัวสติกับตัวสมาธิเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวมันเอง จากการที่มันจะต้องไปลงในร่องนั้นน่ะมันก็จะมีกําลังในการที่จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับใส่น้ําเติมปุ๋ยแหละใส่น้ําเติมปุ๋ยมันความเพียร น, นี่แหละใส่น้ําเติมปุ๋ยมันด้วยความเพียรเพราะความเพียรสติสมาธิจะต้องไปได้วยกันขาดต่างกันไม่ได้ เหมือนที่พูดให้ฟังเมื่อวานความเปียนสติสมาธิจะต้องไปด้วยกันยายามเรียงถามเอออเรียบเรียงไงมันเกียรติค่ะว่าเราคนที่แบบวิ่งออกไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่ว่าช่วงหลับเนี่ยมันจะมันทำให้หัวใสมบนิ่งลง แต่ในการที่เาสังเกห็นแบบนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าบางครั้งเราไม่ได้เน้นที่จะไปอยู่กับลมหายใจมากนะแต่เราอ่ะเหมอเราราเมืนเราดูอยู่เนเราดูตัวเราค่ะเวลาคำถามก็คือทำแบบนี้มันจประโยชน์หมะมีประโยชน์มีประโยชน์แต่ที่มันมัน มันจะทำให้เสียไปหน่อยหนึ่งตรงที่ว่ามันล็อกเป้าตลอดเวลามีความคาดหวังโดยการมีเป้าหมายมันอยู่ตลอดเวลาจิตแทนที่จะรู้ลมหายใจได้จริงๆอ่ะมันกลับไปต้องไปล็อกอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอีกอย่างหนึง่งเราอะมาหลากหลายสายปฏิบัติมาหลายแบบแล้วมันมันไม่ใช่เรียกว่าตีกัน แต่ว่าความรู้ตัวสัมปชัญญะกับสติอ่ะมันสับสนกันเวลาเราเรามาจะมารู้ลมหายใจระหว่างสัมปชัญญะกับสติมันเลยมาสับสนกันเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นสติคือตัวที่ระลึกส่วนตัวที่รู้คลออยู่กับลมหายใจนะ่ะคือสัมปชัญญะ แต่พอเรารู้ลมหายใจตัวสัมปันย์ะของเรามันไปอยู่ที่กายกายอยู่ที่กายทั้งกายพอไปอยู่ที่กายทั้งกายเนี่ยไอการรู้ลมหายใจมันก็เลยไม่ใช่หานหลักพอไปรู้ที่กายทั้งกายพออยู่ที่กายแล้วรู้ลมหายใจไม่ใช่หานหลักงั้นโอกาส ที่จะเห็นร่างกายหายใจเนี่ยยากขึ้นก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นลองทำลมยาวบ่อยๆเพราะการทำลมยาวเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรู้ลมหายใจเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็แรงมีกำลังมีกาลังในการรู้ลมหายใจมากกว่ามากกว่าลมหายใจปกติ เวลาทำลมยาวมันมีการกำหนดและการใส่ใจในลมหายใจที่มีกำลังมากกว่าลมหายใจปกติก็ทำลมหายใจยาวๆบ่อยๆแต่ไม่มีอะไรผิดหรอกที่พูดมาเพราะว่าจิตที่รู้กายก็ถูกแล้วแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของอาณาปานสติมันมันก็ยังยังมีกำลังเบาไปเบาไป ถามอีกไหมเข้าใจไหมเอ่อทำลมยาวบ่อยรู้ลมยาวแบบแบบที่นั่งเมื่อคืนเนี่ยลมยาวนี่สำคัญนะหาดทำบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาณาข้อที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเลยคือลมยาวเห็นไหมทีกลางว่าอัตรสชนโตทีคัางอัตราิามีติประชานาติเพราะว่า จิตที่ลมยาวที่มันเวลาเราไปรู้ลมยาวลมยาวมันจะระยะในการที่เราจะรู้ลมหายใจเนี่ยมันนานมันนานกว่าแล้วลมยาวจะเป็นลมที่ระยะมันมากกว่าลมปกติเพราะฉะนั้นระยะที่มันเกินไปนั้นอะ่ะมันจะทําให้การกําหนดที่มีกําลัง รู้มันก็เลยมีกำลังด้วยไอ้ตั้งใจรู้ก็จะเยอะขึ้นกว่าด้วยอารมยาวแก้ได้คือพอไปนในส่วนของงานนาเนี่ยมยาวถ้าเปรียบการรู้สึกตัวก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวให้มันแรงๆเวลาเราเคลื่อนไหวแรงๆเี้ยอย่างเงี้ย ทุบก็บไปที่ตัวเองอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกตัวใช่ไหมรู้สึกตัวแรงใช่ไหมเออแรงนะลมยาวจะทำให้การรู้ลมหายใจมีกำลังเหมือนกับรู้สึกตัวอย่างเงี้ยถ้าถ้าลมปกติเงี้ยเราจับเงี้ยตีเงี้ยการรู้สึกตัวมันก็เบาเพราะความรู้สึกตัวเบาเนี่ยอาจจะทำให้ เอ่อความรู้สึกตัวนั้นไม่พอแต่ถ้าผลิตแรงๆงี้งีมันก็ความรู้สึกตัวมันก็จะแรงใช่ไหม เ, เหมือนกันในเรื่องของอานนารู้ลมหายใจก็เหมือนกันถ้าไปรู้ลมยาวตัวรู้ก็จะแรงขึ้นมีกําลังขึ้น พรพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องรูลมยาวลมหายใจยาวลมหายใจเข้ายาวออกยาวเนี่ย้วยเหตุผลนี้ปราะยะนั้องทิพย์ก็ไปแก้ด้วยการทำลมยาวบ่อยๆนะยืนก็ได้นะทำลมยาวเพราะว่าเราต้องการแก้ตรงนี้เราก็แก้ด้วยการยืนได้นั่งก็ได้แล้วแต่ตอนนี้คนที่อยู่กันมาตลอดคืนเนี่ย ก็กำลังเต็มที่กำลังเต็มที่ถ้าถ้าเพิ่งเคยปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งแรกจะเข็ดเลยละจะเข็ดเลยกับการสภาพที่จะปล่อยให้ร่างทั้งร่างอะ่ะต้องมาเจ็นกับความทุกข์ทรมานแบบนี้ แต่คนที่เคยผ่านการตื่เนมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ที่สำคัญก็คือว่ามันแยกรู้ออกมาได้รู้มันแยกออกมาได้ถ้าแยกรู้ออกมาได้ร่างกายมันง่วงร่างกายมันเตียรร่างกายมันเหนื่อยร่างกายมันตรมานร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันไปความท้อก็ไม่เกิดหรอกแต่ถ้าถ้ารู้แยกออกมาไม่ได้ ถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยรู้มันแยกออกมาไม่ได้มันก็จะเกิดอาการท้อเรือเหนื่อยมันท้อนะเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่โยมพระก็เป็นนาำตาเป็นนี่นขาขือแก้งกากรามเนื้ออะไรมันอ่อนไปหมดมันก็เป็นไปหมดอ่ะเป็นกันทุกคนเป็นกันทุกคนแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจัง แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เราเป็นคนทํามันเป็นของมันอย่างนั้นแค่เราไม่ได้นอนคืนเดียวอะ่ะโหมันยังขนาดนี้เลยมันยังขนาดนี้เลยคิดดูนีมันจะเป็นข้อที่จะสอนเตือนให้ความรู้กับเราเองว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังจริงๆแล้วมันบุกพร่องอยู่ตลอดเวลา การนอนในระยะที่เป็นปกติมันจะเป็นตัวที่คอยปรับความสมดุลของธาตุดินน้ำลมไฟที่เขาพยุงขึ้นมาเป็นกายเราเนี่ยการนอนเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ธาตุในร่างกายของเรานั้นปรับความสมดุลเข้าหากันง <c oughs> นั้นถ้าเราไม่ได้นอนเราก็จะเห็นชัดว่าเมื่อเมื่อร่างกาย ถ้าไม่เกิดความสมดุลกันนั้นมันจะทำให้เกิดความบกพร่องอย่างแรงที่เห็นได้ชัดคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็จะทำให้เราแยกออกมาในการที่จะไปมองว่า ในร่างกายของเรานี <uch amam splashing barking> ้ดินมันก็พร่องอยู่เป็นนิดน้ํามันก็พร่องอยู่เป็นนิดไฟมันก็พร่องอยู่เป็นนิดลมมันก็พร่องอยู่เป็นนิดพอเราไม่นอนมันไม่ปรับความสมดุลกันธาตุดินก็แสดงอาการธาตุน้ําก็แสดงอาการธาตุลมก็แสดงอาการธาตุไฟก็แสดงอาการธาตุดินที่แสดงอาการแสดงอาการออกมาลักษณะไหนอ่อนเพลียใช่ไหม เออเลี่ยวแรงมันรู้สึกกล้ามเนื้อทั้งหลายเรนเลยมันเหมือนกับมันไม่กระฉับกระเฉงธาตุน้ําเป็นไงธาตุน้ําก็ในความอืบอาบของร่างกายรู้สึกมันแห้งธาตุไฟก็รู้สึกว่าความอุ่นความร้อนในร่างกายมันมีความแปรปรวนธาตุลม ธาตุลมในร่างกายก็คือว่าการเคลื่อนไหวของเลือดของลมในร่างกายนี่มันมันมันไม่ปกติอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงออกของความของธาตุที่ว่ามันบุบพร่องทีนี้เราเติมเราเติมเข้าไปเราทานอาหารเราก็เติมธาตุดินดื่มน้ําก็เติมธาตุน้ําหายใจก็เติมธาตุลมแต่ทําไมธาตุมันมันยังมีอาการนี้อยู่ เพราะมันปรับความสมดุลของธาตุไม่ได้เนื่องจอากว่าเราไม่นอนใช่ไหมเนื่องจากว่าเราไม่นอนแล้วทั้งเวลาเรานอนเราสังเกตไหมถ้าเราเหนื่อยเหนือยเบียดเียเนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับไปเนี่ยไปนอนเต็มอิ่มขึ้นมารู้สึกสพอรู้สึกตัวปั๊บรู้สึกไงสดชื่นเออสดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะธาตุทั้งสี่นั้นมันปรับความสมดุลของมัน เวลาธาตุมันวิการเนี่ยอะไรก็ไม่อยากได้ใช่ไหมอะไรก็ไม่อยากได้แนละ้วเออมันเพราะว่ามันพลังมันรู้สึกว่าพลังข้างในมันแผ่วเบาบอืมเนีย่ยมองสิ่งที่เกิดนี่ลุ้นแต่เป็นสภาวะหมดนะก็เรียนรู้มันเรียนรู้มันไปเรื่อยเรียนรู้มันไปเรื่อยเช้านี้ลองดูซิว่าเออ ลองสักไม่ต้องใช้มากนาทีนะ่าลองดูดิอัตมาก็จะลืมตาเป็นระยะระยะเจะเช็คสองอย่างก็แก้ได้นะทำลมหายใจให้ยาวกับตั้งกายให้ตรงแล้วมันจะมาคู่กันนะถ้าลมหายใจไม่ยาว เวลาความห่วงมันมากายก็จะอย่าง น, างนี้บางทีก็อย่างนี้บางทีก็อย่างนี้แล้วก็ลมหายใจก็จะสันส้นลงสั้นลงทีต่เราทำลมยาวพร้อมกับการตั้งกายให้ตรงทําไปดูซิบ่อยๆแล้วจะจะปลุกให้มันตื่นก็เหมือนที่เคยสอนที่อาคารย์ท ทำไงอ่งี้หายใจเข้าสามจังหวะดันใ่จุดรอบลมหายใจเข้านะค้างไว้แล้วหายใจออกทางปากหนึ่งรอบการหายใจทําทั้งสามรอบ <c oughs> อ่าตื่นแน่ <_ d idd ick> เพราะว่าลมมันจะไอทางลมมันจะเปิดเออนั่นนะ่ะดโดูโดโดทำมาถูกแล้วเนี้ยหายใจเข้าสามจังหวะเข้าเข้าเข้าแล้วค้างไว้หลังจากนั้นหายใจออกออกออกแล้วก็ออกนะกออก ตื่นเลยทำไปเถอะทำไมมันหายง่วงอะที่เรานั่งด้วยกันเนี่ยรอยี่สิบนาทีครั้งละสี่สิบสี่สิบี่สิบสามรอบเมื่อวานกับเมื่อคืนเนี่ยนี่เช้านี้จะเอาสักกี่นาทีรู้ลมหายใจอิสระ ใครจะรู้ลมยาวก็รู้รู้ลมหายใจปกติก็รู้นะแต่ว่าให้รู้ลมหายใจทางง่วงตั้งกายให้ตรงไว้ทางง่วงก็ยืดกายให้ตรงไว้ง่วงก็ยืดยืดจนกระทั่งว่าความง่วงมันหายไปแล้วก็รู้ลมหายใจต่อพอ ม, มันง่วงก็ยืด จนความรู้สึกตัวมันเกิดความว่่งหายไปแล้วก็รู้ลมหายใจต่อเ mm. คล็ดลับมีแค่นั้นยืดจนความว่งหายไปแล้วก็รู้ลมหายใจต่อ mm. ลองดูสิว่ามันจะได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ mm. พร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะ <c oughs> นั่งกูบันลังตั้งกายให้ตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าพร้อมก็ยกจิตรู้เข้าสู่ลมหายใจหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น หายใจเข้าให้สุดเหมือนกับว่าลมหายใจของเรามันสูบเอาความเช่มชื่นเข้าไปข้างในด้วย